ตลอดเวลาเจวันที่พระอนุมัธิสีสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสำนักของสรทธดาบทนั้นสรทธดาบทได้ยืนกั้นฉัตรดอกไม้ถวายด้วยปิติปราโมทมีความสุขตลอดเจดวันและเจวันนั้นพระพุทธเจ้าและพระอัคารสาวกรวมทั้งพระสาวกอรหันได้เข้านิโรสมาบัติเพื่อให้สักการะของสรทธดาบทและชดินบริวารมีอานิสงส์มากในวันที่7็ด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 เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์